ฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาเรื่องที่4ข้องอความคิดที่ไม่เป็นการศึกษาและความคิดที่เป็นการศึกษาการคิดพ่วงต่อจากกระบวนการรับรู้กระบวนการรับรู้นั้นเริ่มต้นด้วยการที่อาณาจักปนะระสบกับอารมณ์ และเกิดวิญญาณคือความรู้ต่ออารมณ์นั้นเช่นเห็นได้ยินตลอดถึงรู้ต่อเรื่องในใจเมื่อเกิดความเป็นไปอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการรับรู้หรือภาษาบาลีเรียกว่าผัสสะเมื่อมีการรับรู้ก็จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นเช่นสุขสบายทุกไม่สบายหรือเฉยเฉยเรียกว่าเวทนาพร้อมกันนั้น ก็จะมีการหมายรู้อารมณ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เรียกว่าสัญญาจากนั้นจึงเกิดความคิดความดําริตริตรึกต่างๆเรียกว่าวิต ก, กะกระบวนการรับรู้เป็นไปอย่างนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการประสบอารมณ์โดยได้รับประสบการณ์ภายนอกหรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพิจารณาในใจเขียนให้ดูง่ายๆ โดยยกความรู้ทางตาเป็นตัวอย่างหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13ทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้อายตตะคือตาบวกอารมคือรูปบวกจักขุวิญญาณคือเห็นเท่ากับผัสสะคือการรับรู้เมื่อมีการรับรู้ก็จะมีเวทนารู้สึกสุขทุกพร้อมกันนั้นก็จะมีสัญญา จำได้หมายรู้จากนั้นจึงเกิดวิตกกะคือคิดขั้นตอนของการคิดหรือวิตกกะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคลตลอดจนถึงสังคมจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการศึกษาแต่ความคิดนั้นจะเป็นอย่างไรย่อมต้องอาศัยปัจจัยที่กำหนดหรือปรุงแต่งความคิดนั้นอีกต่อหนึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด ได้แก่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ตามปกติสําหรับคนทั่วไปเมื่อมีการรับรู้และเกิดเวทนาแล้วถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาแปร ى, หรือตัดตอนเวทนาก็จะเป็นตัวกําหนดวิธีของความคิดคือถ้ารู้สึกสบายเป็นสุขก็ชอบใจอยากได้อยากเสพอยากเอาเรียกว่าเป็นปัญหาฝ่ายบวก ถ้ารู้สึกไม่สบายบีบคั้นเป็นทุกข์ก็ขัดใจไม่ชอบอยากเลี่ยงพ้นหรืออยากทำลายเรียกว่าเป็นตัณหาฝ่ายลกต่อจากนั้นความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะกาหนดเน้นหรือเพ่งไปที่อารมณ์คือสิ่งที่เป็นที่มาของเวทนานั้นเอาสิ่งนั้นเป็นที่จับของความคิดพร้อมด้วยสัญญาความจําได้หมายรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และความคิดปรุงแต่งก็ดําเนินไปตามวิถีทางของความชอบใจไม่ชอบใจนั้นเครื่องปรุงแต่งของความคิดก็คือความโน้มเอียงความเคยชินกิเลสจิตตนิสัยต่างๆที่จิตได้สั่งสมไว้เหล่านี้เรียกว่าสังขารและคิดอยู่ในกรอบในขอบเขตในแนวทางของสังขารนั้นจากความคิดก็อาจแสดงออกมาเป็นการทําการพูดการแสดงบทบาทต่างๆ ท้ไม่ถึงขั้นแสดงออกภายนอกอย่างน้อยก็มีผลกระทบต่างๆอยู่ภายในจิตใจเป็นผลในทางผูกมัดจํากัดตัวทำให้จิตคับแคบบ้างเกิดความกระทบกระทั่งวุ่นวายเร่าร้อนกุ่นมมวเศร้าหมองบีบคั้นใจบ้างหรือถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องราวคิดการต่างๆก็ทำให้เอียงๆไม่มองเห็นตามเป็นจริง อาจาเคลือบแฝงด้วยความอยากได้อยากเอาหรือความคิดมุ่งทำลายแม้ในกรณีที่เกิดความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้จักคิดปล่อยให้ความคิดอยู่ใต้อิทธิพลของเวทนานั้นก็จะเกิดความคิดแบบเพ้อฝันเลื่อนลอยไร้จุดหมายหรือไม่ก็กลายเป็นอัดอั้นตันอื้อไปซึ่งรวมเรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่เกือ้อกูลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอกุศลสร้างปัญหา ก่อให้เกกกิดทุระบวนการของความคิดนี้เขียนให้ดูง่ายแสดงเฉพาะสภาพจิตหรือองค์ธรรมที่เป็นตัวแสดงบทบาทสำคัญสำคั ญ, คญดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13ทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ผัสสะคือการรับรู้เมื่อมีการรับรู้ก็จะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ เมื่อมีการรับรู้และเกิดเวทนาแล้วถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาแปรหรือตัดตอนเวทนาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาความอยากที่เป็นปฏิกิริยาบวกและลบซึ่งรวมเรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตสร้างปัญหาและก่อให้เกิดทุกข์ในชีวิตของคนทั่วไปกระบวนธารทำแห่งปัญหานี้เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดาเนินไปเกือบตลอดเวลา ในวันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะเกิดแล้วแล้วเล่าเล่านับครั้งไม่ถ้วนชีวิตที่ไม่มีการศึกษาย่อมถูกครอบงำและกำหนดด้วยกระบวนการแห่งความคิดอย่างนี้ความเป็นไปของกระบวนการนี้ดำเนินไปได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถอะไรเลยจดเป็นธรรมดาขั้นพื้นฐานที่สุดยิ่งได้สั่งสมความเคยชินไว้มากๆ ก็ยิ่งเป็นไปเองอย่างคล่องแคล่วอย่างที่เรียกว่าลงร่องเพราะการที่เป็นไปอย่างปราศจากปัญญาไม่ต้องมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องและสติปัญญาไม่ได้เป็นตัวควบคุมจึงเรียกว่าเกิดอวิชชาและจึงไม่เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาแต่เป็นไปเพื่อก่อปัญหาทำให้เกิดทุกเรียกว่าเป็นปัจจยาการแห่งทุก ลักษณะทั่วไปของมันคือเป็นการคิดสนองปัญหาผลของมันคือการก่อปัญหาทําให้เกิดทุกข์จึงไม่เป็นการศึกษาสรุปสั้นๆจะเรียกว่ากระบวนการคิดแบบสนองตัญหาหรือการคิดแบบก่อปัญหาหรือวงจรแห่งความทุกข์ก็ได้